ขาสติเมื่อไร่ก็ไปหลงอยู่ในโลกของความคิดพอไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนะกายกระใจก็เป็นตัวเราขึ้นมานี่คนในโลกมันหลงตลอดชีวิตหลงมาแต่ไหนแต่ไรก็เลยสะสมแต่ความรู้สึกผิดๆว่ามีเราไว้นี่เรามาหัดรู้สึกตัวขึ้นมารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็หายไปทีหนึ่งในขณะเดียวกันเดี๋ยวเผลอขึ้นมาเราก็มีอีกเจะสู้กันเองเนี่ย แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องรู้สึกตัวให้มากกว่าเปลอกไม่จําเป็นรู้สึกตัวไปเท่าที่รู้ได้บางคนใจมันไม่ดื้อเท่าไหร่รู้สึกไม่กีท่ทีมันก็ยอมรับแนละว่าจริงๆไม่มีตัวเรายังยึดถือไว้ได้นะไม่ใช่ว่าห้ามยึดถือยังอยากยึดอยู่ก็ยึดไปแต่มันเห็นแล้วมันไม่มีตัวเราคล้ายๆพวกงกพวกหน้าด้านเห็นแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานะแต่ยังเอาไว้ก่อน จริงเราง่ายนะง่ายสุดๆเลยการภาวนายากก็ทำผิดผิดหลักการถ้าถูกหลักที่พระพุทธเจ้าบอกเราง่ายคอยรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปกายเคลื่อนไหวรู้สึกแปลกเห็นเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระดุกกระดิกไปเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์ เป็นกุศลนะกุศลก็ดูไปความสุขความทุกข์กุศลนะกุศลไม่ใช่เราหรอกห้ามมันก็ไม่ได้เลือกมันก็ไม่ได้ถ้าเลือกได้ก็คงเลือกเอาสุขเนะเลือกเอาดีเลือกเอาสุขนี่มันห้ามไม่ได้มันเลือกไม่ได้เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเวียนอยู่อย่างนี้เรียนเพื่อให้เห็นมันแค่นี้ไม่ใช่เรียนเพื่อไปให้มันดีนะแต่เรียนเพื่อให้มันดีมันของหลอกๆดีถาวรไม่มีในโลก สุขทาวอนไม่มีในโลกสงบทาวอนไม่มีในโลกมีแต่ชั่วคราวของชั่วคราวไปหวังว่าจะทาวอนก็ล้มเหลวแต่ถ้ารู้ลงไปรู้ลงไปนะเห็นในกายที่เคลื่อนไหวอยู่ก็ไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่ไปเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตที่หนีไปคิดไปนึกอะไรเงี้ยไม่ใช่เรามันทงานได้เองดูลงไปในมุมของไตรลักอย่างนี้ดูไปเรื่อย แต่ไม่ใช่คิดเอานะเราฟังธรรมะอย่างหลวงพ่อพูดเรื่องไจร้องใตรักเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นจิตของผู้ฟังเนี่ยให้มันมองตามจิตของเรามันรู้เองไม่ได้จิตของเรามันเป็นเดินอยู่ในสาวกภูมิอาศัยการฟังธรรมมักระตุ้นนํำร่องให้จิตมันเดินตามอย่างเราฟังหลวงพ่อพูดเรื่องกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เรานะพอสติระลึกรู้เนี่ย ไนก็จะเห็นในตัวที่กําลังกระดุกระดิกไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่เราจิตที่คิดนกตกปรุงแต่งไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆแต่ถ้าไม่เคยฟังเรื่องไตรรักษเลยฟังให้รู้สึกตัวอย่างเดียวมันจะรู้สึกตัวเฉยๆไม่เดินปัญญางั้นเวลามีสติขึ้นมาเฉยๆในะใจสงบใจเบิกบานมีความสุขมีมีสติขึ้นมาเป็นจิตที่เป็นกุศล แต่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าจิตเป็นกุศลด้วยประกอบด้วยปัญญาด้วยตัวนี้ตัวสําคัญประกอบด้วยปัญญาคือเห็นไตรลักไม่ใช่ปัญญาแตกฉานรอบรู้อะไรเยอะนะปัญญาคือเห็นไตรลักอย่างเห็นตัวที่กําลังนั่งอยู่นี่ที่กําลังสายหน้าอยู่นี่ที่พยักหน้าอยู่นี่ตัวอะไรตัวหนึ่งมันไม่ใช่เราจับลงมาสัมผัสลงมารู้สึกไม่ตัวอะไรเป็นท่อนๆไม่ใช่ตัวเรา หรือบางวันส่องกระจกรู้สึกไหมทำไมไอ้คนนี้หน้าตาแปลกๆ แ, แล้วไม่คุ้นเคยกับมันแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวเราที่เคยคุ้นเคยแล้วไอ้ เ, เป็นไหมดูกระจกมันหน้าตาทำไมมันพิลึกนะทำไมมันต้องมีสองตามีหนึ่งจมูกเล้ตัวอะไรนะดูเข้าไปด้วยจริงๆง่ายนะรู้ไปซื่อๆมันไปช้าไปเสียเวลาตรงที่เราเข้าไปแทรกแสงมีตัหาขึ้นมา อยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีทิฏฐิขึ้นมามันน่าจะอย่างนั้ น, ม, นมันน่าจะอย่างนี้มีตัณหามีทิฏฐิมีความถือตัวถือว่ากูเก่งกูรู้หมดแล้วจิตไม่ยอมเดินตัญญานะมันคิดว่ามันรู้หมดแล้วไม่ยอมตูดของจริงเลยอย่างนี้ก็มีมันทอดถอยมันคิดว่ากูนี่โง่สุดๆแล้วชาตินี้ก็ไม่ได้ก็ขี้เกียจดูอย่างนี้ก็มีนะตัวนี้เรียกว่ามนะถือตัวว่าเก่งถือตัวว่าแย่ เนื้อถ้าจิตไม่มีตัณหาทิฏฐิมานะการปฏิบัติก็ง่ายภาวนาไม่ใช่เพื่ออยากได้อะไรถ้าภาวนาเพราะอยากดีอยากสุขอยากสงบเนี่ยเรียกว่ามีตัณหาภาวนารู้ทุกอย่างไปตามที่เขาเป็นไม่ใช่ว่ามันน่าจะอย่างงี้สิมันน่าจะอย่างนี้สิมันน่าจะมันน่าจะเนี่ยพวกทิฏฐิมากพวกนี้เนิ่นช้าเห็นไหมธรรมะที่ทําให้เนิ่นช้าแล้วก็อย่านึกว่ากูแน่อย่านึกว่ากูแย่รู้ไป รู้ไปเรื่อยๆนะอย่อยากเหมือนเหลาไม้ที่บอกอยังไม่เข้ามาบอกคุณเป็นสีเป็นสีรีบร้อนภาวนากลัวโอ้เดี๋ยวจะไม่ทันการยิ่งกลัวยิ่งช้านะต้องใจเย็นๆบอกครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเทียบเหมือนคนเหลาไม้จะเอาไม้มาแกะสลักเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่งก็ค่อยๆแกะไปนรือเอาไม้มาแกะพระพุทธรูปอะไรเงี้ยนะค่อยๆแกะไปใจเย็นๆ ไม่รีบรีบแก่เดี๋ยวจมูกแหแว่งลการภาวนาค่อยๆทำสบายใจไปรู้เล่นๆไปรู้กายอย่างที่เขาเป็นดูเล่นๆไม่เข้าไปแทรกแซงดูใจอย่างที่เขาเป็นไม่แทรกแซงดูเล่นๆรู้เท่าที่รู้ได้แต่ว่าอย่ารู้น้อยจนน่าเกลียดใช่หลวงก็ออบอกรู้เท่าที่รู้ได้นะวันนี้รู้สามครั้งนีง่มันน่าเกลียด ดูเท่าที่รู้ได้เช่นนาะทีละสองครั้ง3มครั้งยังพอหน้าอินดูบ้างสังเกต ด, ดูใจเราหลงพ่อเคยให้กันบ้านนะคุณยาให้พวกเด็กๆไปมาเรียนบอกให้ไปทาดูไปลองนับดูว่า5นาทีเนี่ยเผลอกี่ครั้งเผลอไปคิดไปนึกเนี่ยกี่ครั้งหรือเผลอไปเพ่งไปจ้องกี่ครั้งแล้วหลพ่อก็พาดูเป็นตัวอย่างอ่าหลงไปแล้วนะรู้ตัวได้แวบนึงเอาหลงอีกแล้วนะ นาทีหนึ่งนะได้ตั้งเยอะหน่ยนี่พาให้ดูเป็นตัวอย่างเดี๋ยวกลับบ้านให้เป็นนับเอาเองว่า5นาทีเนี่ยหลงไปกี่ครั้งคุณเยาวจะเล่นบ้างก็ได้นะไม่จํากัดว่าต้องมีอายุนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนเด็กแล้วคุณยาทําไม่ได้ลองนั่งเล่นๆน่ะลองนั่งนับเล่นๆเดี๋ยวเผลอแวบแล้วรู้สึกแวบแล้วรู้สึกลองนับไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อไม่ให้เผลอแต่เพื่อให้จิตมันจําสภาวะของความเผลอได้แม่น สภาวะแห่งความเผลอเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดใจไหลแวบรู้สึกแวบรู้สึกแวบรู้สึกแล้วก็ไม่ได้ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลาด้วยเพรความรู้สึกตัวเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์บังคับไม่ได้เหมือนกันเกิดดับเหมือนกันแต่เรารู้สึกตัวขึ้นมาเพื่อจะรู้ว่าจิตเมื่อกี่หลงไปแล้วพอหลงไปรู้สึกขึ้นมารู้สึกได้แวบเดียวหลงอีกแล้วในที่สุดปัญญามันจะเกิดนะจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกตัวเกิดระดับเท่าๆกันนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเอาอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งไม่ใช่เอาดีเกลียดชั่วนะไม่ใช่เอาสุขเกลียดทุกนะไม่ใช่เอาสงสบเกลียดฟุ้งซ่านไม่ใช่เอารู้สึกตัวเกลียดความหลงความเผลอแต่เราจะเรียนจนเห็นทุกอย่างเกิดระดับเสมอภาคกันหมดเลยเนี่ยใจมันปัญญามันเกิดตรงนี้เนะี่ยใจมันไม่ดิ้นละสุขก็ชั่วคราวทุกชั่วคราวดีชั่วก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวหลงกับรู้ก็เท่าเทียมกันนี่พวกเราใจไม่ถึงนะ เราอยากรู้ไม่อยากหลงอยากสุขไม่อยากทุกข์อยากดีไม่อยากชั่วอยากสงบไม่อยากฟุ้งซ่านใจไม่ถึงใจไม่ถึงก็เข้าถึงธรรมะของจริงไม่ได้ธรรมะเป็นของคนใจถึงนะต้องใจถึงมากๆเลยยิ่งเวลาจะแตกหักกันเนี่ยนะต้องถึงมากๆเลยเวลาเราภาวนาจนมันบีบตัวกระชับเข้ามาจนถึงธาตุรู้ตัวเดียวแล้วเนี่ย่ธาตุรู้มันทุกข์ขึ้นมาให้ดู มันทุกข์จนไม่รู้ยีหยั่ยงลงตรงไหนในโลกเลยแต่เดิมเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจใช่ไหมอย่างจิตใจไม่สบายเราเปลี่ยนอารมณ์ซะก็หายละอย่างคิดถึงคนนี้แล้วกลุ่มใจเราไปดูหนังฟังเพลงเปลี่ยนอารมณ์ไปก็หายกลุ่มไปละนั่งนาน น, า น, น, านเมื่อยนะขยับเปลี่ยนอิริยาบถาหายทุกข์ละทุกขทุกนี้ยังพอหนีเป็นคราวๆไปหนีไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตามมาอีกแต่ตรงที่ เราภาวนาจนเท่าถึงธาตุรู้เนี่ยเพราะธาตุรู้เป็นทุกข์ขึ้นมานี่ไม่มีที่หนีนะอค่าตัวตายไปไอ้ธาตุรู้เนี่ยดับลงไปก็ไปเกิดธาตุรู้อีกตัวหนึ่งจุติปุ๊บก็เกิดอุบัติอีกปั๊บเลยเอาความทุกข์ตามไปอีกและเนี่ยมันคล้ายๆว่าภาวนาจนไม่มีทางหนีเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆมากขึ้นมากขึ้นนะเหมือนมานมาหลายกองทัพเลยเยอะแยะไปหมดเลยจิตใจในขณะนัน้นจะรู้สึกเลยว่า ถ้านั่งต่อไปนี่ไม่ถอดได้หรอกนะถ้าไม่ตายก็บ้าอาจจะตายได้เหมือนจิตใจจะระเบิดตายแล้วระเบิดเรี้ยงคงตายเลยจะรู้สึกอย่างนั้นเลยหรือไม่ก็ถ้าระเบิดเรี้ยงมาไม่ตายนะก็บ้าไปเลยเนี่ยมันทุกข์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใจเราเคยฝึกฝนอบรมมันจนเข้มแข็งนะกล้าเผชิญตายเป็นตายบ้าเป็นบ้านะไม่ใช่กลัวตอนหลบพ่อ อ, อ๋อไม่ใช่หลวง้าออ๋คนคนหนึ่งนะไปเห็นมันเนี่ยไม่กลัวตายนะแต่กลัวบ้าตายแล้วตายเลยก็ช่างมันเถอะแต่ว่าแม้ถ้าเกิดเปลี้ยงมาแล้วบ้านี่นะมันลำบากนะมันลำบากคนอื่นอย่างเงี้ยใจต้องถึงถึงนะถึงจริงๆเลยอดทนอดกลั้นถึ ง, ถ ง, ถงที่สุดเลยนั้นภาวนาค่อยๆสะสมบา ร, รมีของเราไปแต่ละตัวแต่ละตัวสาคัญ รูบาอาจารย์ถึงบอกนิพพานอยู่ฟากตายนิพพานอยู่ฟากตายนะรอดตายมาได้ก็เจอนะไม่มีหรอกนะได้ของฟรีของแถมไม่มีนะยุติธรรมที่สุดเลยใครทําใครได้ไม่ทําไม่ได้ทําผิดก็ได้ผิดผิดอีกทําถูกก็ได้ถูกถูกนะหยุดทําก็เข้าถึงทำเลยอยู่ที่หยุดทํานะหยุดทําให้ได้ แต่หยุดนี่หยุดด้วยสติปัญญาไม่ได้หยุดด้วยสมถะหลวงพ่อวัดปากน้ําก็ชอบสอนนะสมัยก่อนท่านสอนสมถะท่านบอกหยุดเป็นตัวสําเร็จทำไมถึงหยุดแน่วอยู่ในอารมณ์มันเดียวในจุดจุดเดียวเลยได้สมถะมีปรัชนานี้ก็หยุดเหมือนกันแต่หยุดด้วยปัญญาหยุดด้วยสังขารุเบกขาเป็นกลางอย่างแท้จริงงั้นภาวะอะไรเกิดขึ้นตามรู้ตามดูไปมันจะค่อยๆเข้าใจ ทีแรกเข้าใจของหยาบหยาบก่อนเข้าใจกายเข้าใจจิตใจที่มันหยาบหยาบเนี่เห็นทุกอย่างเกิดระดับทุกอย่างเกิดระดับไม่มีตัวเราที่ถาวรเที่ยงแท้ขึ้นมาได้โสดาบันได้พระโสดาบันรู้แล้ ว, ลวกายนี้ใจนี้ยืมเข้ามาใช้นะแต่ชี้งกไม่คืนพระโสดาบันยังชี้งกอยู่นะหวงหวงกายห่วงใจถ้สกิทาข า, าก็ยังห่วงแต่ห่วงลดลงหน่อยหนึ่ง ถึงพรานาคาเนี่ยไม่ห่วงกายและเห็นเลยกายนี้เป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเห็นอย่างนี้มันทุกข์ล้วนๆจะไปห่วงมันทําไมแต่คุณยาวหรือแม่ชีฟร้อมทำรู้สึกไหมกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุข บ, บ้างรู้สึกไหมมันเห็นอย่างนี้มันถึงวางไม่ได้อมันต้องดูใจโอ้โหดูเข้าไปอย่างนั้นแหละรู้ลงไปรู้ลงไมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยรู้อิริยาบถสี่ก็ว่ารู้ทุกข์เยอะนะนั่งเพเดียวหนึ่งก็ทุกข์ใช่ไหอ เดินอยู่ไปเดียวหนึ่งก็ทุกหลวงพ่อเล่นโหดแบบนั้นอีกตอนหลวงพ่อดูกายตอนหลวงพ่อดูลมหายใจตอนหลวงพ่อฝึกหายใจมาตั้งแต่เจ็ดขวบแนละ้วแต่ ท, ทําสมถะคราวนี้เราจะมาดูทุกนะลองหยุดหายใจหยุดหายใจไปสักพักหนึ่งนะทุกนะต้องหายใจเข้าแก้ทุกรู้สึกสบายใช่ไหมหายใจไปเรื่อยๆนะทุกอีกแล้วนะเอต้องหายใจออกแก้ทุกเล่นอยู่พักหนึ่งนะรู้เลยโอ้ ความทุกข์นี่มันบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยหายใจไปหายใจไปมีแต่ทุกร่วนๆเลยแต่ถ้าทำสมถะนะหายใจแล้วก็เลิกหายใจไปนะไม่ทุกนะหายใจทีหนึ่งอุย้ยกว่าจะหายใจครั้งหนึ่งนั้นนานมากเลยเวลาเราถูกกู้ายจับไปใส่ตู้นะอย่าตกใจ <laughs> ทำใจให้แน้วสบายนะสบายไม่ค่อยหายใจเรา อ, อยู่ได้นาน <laughs> อันนั้นหยุดเพราะสมถะ หยุดเข้วิปัสนาเห็นกายเห็นใจดูลงไปดูลงไปไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากคิดมากยากนานหรือคิดว่าเราแก่แล้วคงไม่ทันแล้วคิดอย่างนี้คิดล้างฝานตัวเองนะบางท่านอายุตั้ง80ดสิบถึงจะบัตรูก็มีนะีจำไม่ได้สมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อพระมหานาคะท่านอายุเท่าไหร่ไม่รู้ร้อยี่สิหรือปดสิบ คือท่านคิดว่าท่านเป็นพระอราหันต์มานานแล้วขับม า, หาหนานาขาันวันหนึ่งเดินไปในป่าช้างมันซุ่มอยู่หลังต้นไม้นะพอท่านเข้าไปใกล้มันมันตกใจมันโผล่ฟลวดขึ้นมาโผล่ฟลวดมาจ้าเอกับท่านนะช้างไปทางท่านก็ไปทางท่านตกใจเลยเอา้าวไม่ใช่พระราารอรหันต์หรอกนี่ความรักตัวกลัวตายเกิดในวินาทีขับขันนี่เองท่านรีบกลับวัดนะ นั่งภาวนานั่งสำรวจใจของท่านแล้ววันนั้นก็จบกิจวันนั้นนิพพานวันนั้นยังดีนะช้างมาช่วยนะอือ <c oughs> อืมใช่เร็วไปตั้งเป็นหมื่นหมื่นกับเลยไม่งั้นท่านต้องไปอยู่กลุมาิโลกดูนะง่ายจริงจริงง่ายพูดไปพูดมาก็วกกลับมาเรื่องง่ายอีกแหละ ครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมาอทกมุกอง์เลยแทบทุกองคไม่ทุกองคบางองค์ไม่ได้บอกว่าง่ายบางองค์ก็บอกให้ภาคเปลียนเอาอย่างหลวงปู่สิมเนะี่ยให้สู้ตายนะให้นั่งขัดเพชรนะอะไรเงี้ยหลายองค์บอกว่าง่ายหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศจนองค์สุดท้ายหลวงปู่สุวัสด์ก็ว่าง่ายองค์นั้นก็ว่าง่ายองค์นี้ก็ว่าง่ายไอเวลาที่เราตะลุมบอลน่ะมันยากมันยากเราก็เฉลียวใจขึ้นมาไอครูบาอาจารย์ว่าง่ายนะ แสดงว่าที่ทําอยู่ผิดละใจถึงๆนะโยนมันทิ้งไปเลยเลิกไม่เอาแล้วเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งรู้กายรู้ใจเอาใหม่ถ้าดูกายดูใจไม่ออกทําสมถะไว้ทําสมถะไว้พุโทโธไว้หายใจไว้อะไรก็ได้ทําสมถะไปจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้ว่ามีความสุขดูจิตต่อไปทุกวันนับหนึ่งนับหนึ่งสำคัญนะคุณอยา่าเอาเวลาเราตะลุมบอล น, นะบางที สู้ตายอสู้สู้จิตหลุดปุบออกมาอจบสัทีนะแต่ทําไมมันไม่มีปรากฏการณ์อะไรเลยอยู่อยู่มันหลุดเอาเฉยๆยเนี่อยู่ไปหลายวันมันชักมัวมัวแล้วพระละหันองค์นี้มัวได้อีกและ้วะโอ้ไม่ใช่อีกแล้วผิดอีกแล้วนับหนึ่งใหม่ตกใจแล้วตกใจนับหนึ่งใหม่หายใจไปพุทธโธไปแล้วมาดูาใหม่ดูกายดูใจตั้งต้นอีก ทั้งต้นไม่นานนะจิตเนี่ยคนกวา่าคนกว้าก็เหมือนก็รุดอีกอะ่ะเนี่ยซ้ําแล้วซ้ำอีกนะหลายรอบเลยจนกระทั่งใจเนี่มันเริ่มถอดใจท่ามันทำไม่ได้แล้วชาตินี้มันคงได้แค่นี้แล้วเนี่ยมันถอดใจนะอมันถอดใจหลังจากที่สู้เต็มที่แล้วนะไม่ใช่พวกเราพอฟังอย่างนี้ชาตินี้ฉันทําไม่ได้ล้วแล้วก็มามองนะบรรลุอย่งางวะนะไม่ได้กินหรอกนะกิเลนไม่เชื่อหรอก โอ้โหมันสู้กันน่าดูนะคือ ส, สู้ด้วยสติสู้ด้วยสมาธิสู้ด้วยปัญญานี่แหละอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ใจก็ตั้งมั่นไว้นะอย่าถล่มเข้าไปรู้ทุกอย่างอย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ไปรู้ไปรูปไปมันเหมือนมันเข้าใจแง่มุมของธรรมะจิตมันก็หลุดทีหนึ่งนะหลุดทีหนึ่งดูเหมือนเหมือนไม่ใช่หรอกดูเหมือนเหมือนจนกรทั่งวันหนึ่งนะโอ้นจนปัญญาละ จิตนี้ค้คว้ามาทุกแง่ทุก ม, มนะุมแล้วขาดอะไรก็ไม่รู้ว่าขาดอะไรรู้แต่ว่ายังไม่พอแต่ไม่รู้ว่าขาดอะไรชาตินี้คงไม่มีหวันแล้วไม่มีหวังสิ้นหวังแล้วสิ้นหวังแล้วเออก็ยังดีชาตินี้เดินมาได้แค่นี้ก็ดีละเนี่ยตั้งใจมันรู้สึกอย่างนั้นนะคราวนี้ใจหยุดดิ้นเลยงที่ใจหยุดดิ้นก็ขาดตรงนั้นเลย งั้นเราก็ต้องฝึกนะฝึกรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเข้าไปมันอดไม่ได้หรอกที่จะเข้าไปแทรกแซงมันอดดิ้นไม่ได้เพราะงั้นไม่ต้องตกใจมันดิ้นจะให้หายโง่นั่นแหละมันไม่หายโง่มันก็จะดิ้นอย่างนั้นพอมันเข้าใจขึ้นมามันเลยรู้เลยอะไรรู้ไหมที่มันขาดอยู่ที่ทําให้มันไม่จบสักทีคือความรู้แจ้งอริยสัจนั่นเองปรับใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจนะภาะวานาเก่งแค่ไหนนะ ก็ไม่จบหรอกนอกจากรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจแล้วเท่านะั้นถึงจะจบกิจอริยสัจเป็นธรรมที่ลึกที่สุดเลยหลวงพ่อเทศเรื่องอริยสัจเอาไปเยอะนะอยู่ในซีดีแผ่นที่สิบหกกำลังจะออกเร็วๆนี้คัมมิ่งศูนย์นะเลยรีบบอกคุณยาวเออยังไม่ออกเลยรีบบอกไว้ก่อนอีกประมาณสองอาทิตย์ถึงจะออก นะแผนที่สิบหกเนี่ยเป็นเรื่องอริยาศาสตร์ล้วนๆเลยนะไปฟังเอานะฟังเอาฟังแล้วไม่เข้าใจหรอกเชื่อเถอะต้องดูเอาเองฟังนําร่องให้จิตมันเดินเท่านั้นแหละฟังเสร็จแล้วมันจะมาคอยดูกายรู้ใจไปส่วนใหญ่เราจะมารู้เพื่อให้มันหายทุกข์เช่นนั่งนานๆมันเมื่อยทํายังไงจะหายเมื่อยเนี่ยเรามุ่งเอาอย่างนี้เราไม่ได้มุ่งเอาอริอรยาศาสตร มุ่งเอ า, อาริยาศาสตร์ขึ้นมุ่งเอาความจริงนะไอตัวที่เมื่ยไม่ใช่เราหรอกนะกายนี้ใจนี้ยังไงมันก็ทุกนี่เพราะมันเป็นตัวทุกจะให้มันเป็นตัวสุขได้ยังไงนี่ใจมันเห็นอย่างนี้นะแล้วมันยอมรับทุกนะโอ้โหทุกก็ทุกสิก็มันเป็นความจริงนะี่มีกายก็ทุกเพราะกายนะมีจิตก็ทุกเพราะจิตไม่ได้อยากให้หายนะใจมันถึงถึงขนาดนั้นนะพอเมื่อไรมันเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆแล้วก็เรียกว่ามันรู้ทุกแล้ว เมืมันรู้ทุกข์มันจะหมดความยึดถือในกายเมื่อมันหมดความยึดถือในกายเนี่ยรวมทั้งหมดในใจด้วยนะไม่ยึดอะไรเลยมันจะหมดความดิ้นรนจิตจะไม่ปรุงแต่งเลยตันหาจะไม่เกิดขึ้นงั้นรู้ทุกข์แกมแจ้งเมื่อไหร่นะสมูทไทถึงจะถูกละพวกเราไม่เข้าใจนะตรงนี้รู้ทุกข์แล้วสมูทไถยถูกละเรารู้แต่ว่าถ้าล้าสมูทไทล้วก็ไม่ทุกข์ถ้ามีสมูทไทเราทุกข์อย่างใจเราภาวนารู้สึกไหมมีความอยากเกิดขึ้นมาก็ดินด้นที่เราทุกข์ นี่เราเห็นอย่างนี้นะอย่านึกว่ารู้อริยสัจนะ้ะไม่รู้หรอกถ้ารู้อริยสัจมักลับข้างกันถ้ารู้ทุกนะั่งก็ถึงจะละสมุกทยัยพอรู้ทุกกายนี้ใจนี้ทุกล้วนล้วนเลยไม่ใช่เราหรอกไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษเรามันจะหมดความยึดถือในกายในใจทีนี้ก็ไม่ได้อยากให้มันดีล้วไม่อยากให้มันสุขแล้วไม่ได้อยากให้มันพ้นทุกข์ล้หมดอยากใจที่หมดอยากก็หมดการดิ้นรนตันหาดับลงตรงนั้นเอง ทันทีที่ตันหาดับ น, ะนั้นนิพพานปรากฏ ต, ตรงนั้นตอนหน้าต่อตานี้เลยเต็มบริบูรณ์อยู่ตรงนี้เองคือใจซึ่งมันหมดจากความอยากแล้วเนี่ยมันเข้าถึงความสงบสันติมีแต่ความสุขล้วนๆอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยคราวนี้งั้นถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกนะก็เป็นอนละสมูทยัยเมื่อไหรล่ละสมูทยัยเมื่อ น, นั้นก็แจ้งนิโรธคือนิพพานขึ้นมาการรู้ทุกจนละสมูทยัยแจ้งนิโรดนี่แหละเรียก ว, ว่าการเจริญอริยมรร การเจริญมรรคงั้นมรรคไม่มีมากกว่านี้นะมรรคมีแต่การรู้ทุกข์ไม่ใช่การละเวทนานะหรือการดับเวทนานะคนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องเลเมื่อก่อนภาวนานะเคยโอ้ถ้ารู้ทุกข์มันก็ละสมุทัยแจ้งนิโรธนี่คือการเจริญมรรคเข้าใจอย่างนี้แต่ก่อนหน้านี้เคยได้ยินหลวงปู่เทสท่านสอนท่านพูดเรื่อยๆนะ เ, เราฟังแล้วก็เข้าหูซ้ายออกหูขวานะ ไม่ก็เข้าหูขวาออกหูซ้ายเข้าสองหูออกมันสองหูเลยนะคงไม่เข้าทีละหูหรอกท่านพูดเรื่อยๆเลยว่ารู้ทุกข์ก็เป็นอันละสมุทยัยเราฟังแล้วก็เปลี่นเป่นะฟังแล้วเปลนเปลนโอ้โหโตที่เข้าใจรู้ทุกข์นี่มันเห็นการละสมุทยัยแล้วแจ้งนิโรธเนี่ยนึกไม่ถึงขนาดท่านทิ้งร่องรอยไว้ให้นะทิ้งร่องรอยไว้ให้รู ป, รปลุกลำคลำเนี่ไม่ใช่ง่าย S <S <an> เห็นไหมไม่รู้ทุกข์แล้วเห็นไหมซึมไปเฉยๆนะรู้ลงมาในกายในใจนะกายกับใจคือทุกข์รู้ลงมาตรงนี้แต่ในขณาดเดียวกันก็ไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจไม่ได้กำหนดกายกำหนดใจนะให้รู้ท่านไม่ได้ให้กำหนดสติเป็นเครื่องระลึกรู้สติไม่ใช่กำหนดรู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นมันไม่ใช่ตัวเราเห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันเป็นทุกข์ มันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาดูลงไปแค่นี้แหละไม่ยากหรอกแต่ว่าปางตายไม่ยากอะชาตินี้นะเอาให้ได้โสดาก็ยังดีได้โสดาแล้วก็ปลอดภัยหน่อยไปทำต่อในสวรรค์ทำได้นะยิ่งพวกที่ถนัดดูจิตนี่ไปต่อในสวรรค์ในพรหมโลกได้ ต้ดูแต่กายเล่นลำบากแล้ ว, วไปอยู่ในสวรรค์นะกายนี้มันสวยตลอดนะไม่เห็นมันจะเก่าคล้ำคล่าเลยไม่เห็นมันไม่เที่ยงเลยมันเที่ยงอะ่ะหรืออยู่ในพรหมโลกนะทั้งกายทั้งจิตมันเที่ยงนะดูมันเที่ยงนะคือมันทรงความสงบอยู่แต่ถ้าดูจิตชำนาญเนียรู้เลยเห็นมันไหวตลอดเลยมันทำงานตลอดเวลาไปต่อข้างบนต่อง่าย ยังไม่ไปหรอกนะยังฝังเข็มอยู่ยังอา้าวใครมีการบ้านชมพูตรงกรันอา้าวคู่นี้ก่อนมาอยู่ด้วยละมีไหมรู้สึกเป็นสติเริ่มเป็นอัตโนมัติมากขึ้นครับแล้วก็มันมีมีามอาการชืดชืดระหว่างทั้งทั้งสุขกับทุกข์หลงล ง, ลงมาดีแล้วนะ เนี่ยฝักสติปัญญามันอัตโนมัติขึ้นมามันเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยสุขกับทุกข์ดีกับชั่วชักใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันนะจิตเขาตั้งมั่นอย่างเงี้ยเสร็จแล้วจิตเขารู้สึกไร้สาระไปหมดเลยเหนื่อยเนื่อยไปเบื่อเบื่อไปให้รู้ทันตัวนี้อีกตัวเนี้มันเป็นยานระดับกลางๆถ้าพูดด้วยโสรสยานใจมันจะเนื่อยเนืยไปนิดรู้ทันมันลงไปแล้วก็แยกความเนือยก็ออกไปใจมันก็ตั้งมั่นมีความสุขอยู่ แล้วก็รู้มันไปอีกรู้ไปเรื่อยจนทั้งนั้นมันฉลาดเมือมันฉลาดนั้นมันเป็นกลางแล้วไม่ดิ้นเอาไม่ดิ้นี่ยเข้าถึงธรรมะไม่ยากหรอกนะไม่ยากแต่มันดิ้นไม่เลิกหรอกมันดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นจนถึงนาทีที่มันจะแตกหักมันลืมดิ้นไปมันลืมดิ้น้มันดิ้นจนมันลืมไปแล้วคือมันจะต้องฝึกจนสติอัตโนมัติ เวลาที่มันจะเกิดมากเกิดผลเนี่ยเราไปจงใจให้เกิดไม่ได้งั้นต้องฟังนะฟังธรร ม, มากฟังไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจของเราไปเรื่อยๆสติมันจะหมุนจีๆขึ้นมาเองมาอัตโนมัติขึ้นมาเองไม่ได้จงใจละต่อไปพอสภาวะธรรมเกิดขึ้นมันเกิดไปรู้โดยไม่จงใจครับรู้โดยไม่เติมอะไรลงไปนะักขณะเดียวเท่านี้แวบเดียวเท่านี้จิตจะรวมเลยรวมเข้าอัปปนา แล้วไปเห็นสภาวธรรมเกิดดับไม่มีชื่ อ, อตัวนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรรู้แต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดแล้วดับเนี่ยอนอยู่สองสามขณะนะ่จิตจะทวนเข้าหาธาตุรู้แล้วตัดให้เราฝึกไปเรื่อยจนสติมันอัตโนมัติเนี่ยไม่อัตโนมัติแล้วหนีไปแล้วรู้สึกไหมไหลซึมๆไปเฉยๆนี่นบังคับไว้เบอร์สิบแปดบังคับไว้ไม่บังคับนะอ่ะส่งมาทางนี้หน่อย เอาว่าไงส่งการบ้านวันนี้จะกลับวัดได้จจา ก, จ ก, จกวัดละเมื่อ <c oughs> วันจันทร์ตอนที่เดินจงกรมช่วงบ่ายบนสารา น, นี่เจ้าค่ะเพิ่งเริ่มเดินใช้สักครู่หนึ่งเห็นเวทนามันแตกดับไปทุกทีมันจะแค่แยกเจ้าค่ะแต่มันดับก็ ก, ก็ดูรู้เฉยเฉยรู้เฉยเยก็เดินก็ปกติเจ้าค่ะ <c oughs> คราวนี้เมื่อตอนหัวค่ำตอนนั่งภาวนาที่ลานหลวงกุดุล จิตมันรวมได้สักพักหนึ่งมันเห็นไม่มีตัวเองเจ้าค่ะไม่เห็นแขนไม่เห็นขานไม่เห็นตัวแต่พอพอจิตมันติดตั้งใจนิดเดียวเจ้าค่ะว่าเออเราหายไปมันก็กลับมาใหม่เจ้าค่ะเปล่าเวลาจิตมันรวมนะรวมด้วยสมาธิร่างกายมันจะหายไปร่างกายหายไปแล้วก็เหลือสติประคองรักษาจิตไว้อันเดียว แต่มาความคิดมันเกิดตัวเราหายไปตรงนี้มันถอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าพแหมมันไม่น่าคิดเลยเลยถอยออกมาเพราะมันไปคิดแล้วมันถึงถอยเราไปคิดปุ๊บมันก็เกิดความจงใจไปหมายรู้นะวิญญาณก็หยั่งลงสู่กายแม้มันมีเจตนาก่อนตัวเจตนาคือตัวสังขารเรามีเจตนาขึ้นมาสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณความรับรู้ก็หยั่งลง ความยับรับรู้อย่างลงในรูปขึ้นมาร่างกายก็ปรากฏความรับรู้อย่างลงในนามนะความรู้สึกนึกคิดต่างๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็ปรากฏขึ้นมางั้นสังขารเลยเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปมันก็อย่างลงมาให้เราดูนี่มันแสดงตัวอย่างให้ดูนะตอนนี้ฟุงเจ้าค่ะแล้วจิตกระดิ้นพลาดพลาดอ่างไมันไปทําอะไรมามันดิ้นพลาดพลาด เหมือนกับมันฟงกระจายมากแ ล, แล้วมันไม่ชอบที่มันเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะก็รู้สึกว่าช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นอุปสรรคกับการปฏิบัติก็คือมีสองอย่างเจ้าค่ะอย่างแรกคือเวลาที่มันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราไปคิดเพื่อที่จะกรบเกลี่อนมันแทนที่จะดูมันเข้าไวต้ตรงๆแล้วก็อย่างที่สองก็คือความอยากเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีเจ้าค่ ดีที่รู้ทันมันนะมีอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่คือโทสะตอนนี้มีโทสะแฝงไว้อยู่เรื่อยๆ<ช>แล้วก็รู้ทันมันไปนะใจมันมีโทสะมันจะทยานออกไปเรื่อยๆทยานไปเอาเรื่องอะใครนั่งใกล้ๆระวังนะนี่พวกเราที่เวลาโทรศัพท์มาถามว่าวัดเปิดวัดปิดนะเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้แหละเป็นคนตอบนะงั้นอย่าไปด่าเขานะ บางคนเอาแต่ใจโทรมาถามแล้วไปว่าเขาเอีกนะจนคนรับหน้าที่นี้ของหลวงพ่อนี้นะโรคประสาทติดกินน่าสงสารเนี่ยดูหน้าตาก็น่าสงสารนะงั้นอยาไปว่าเขานะชมพูดูเด้ว่อยๆนะว่างๆมาอยู่บัสบ้างมันห่างเวทีไปใจมันเรื้อรังแนละ้วอ้าวตูก็เห็นว่า ใจมันยังทํางานนะคะหลวงพ่อคือมันไม่เท่ากันนี่นี่อยู่วัดนี่คู่นี้ใ ช, ใช่ไหมคร<ะ>ับส่งไปข้างหลังก่อนไม่เป็นไรคนไหนไม่อยากได้แล้วก็ส่งตอบตอบไปคูครูอย่าไปเค้นใจอย่าไปเค้นมันอย่าไปบังคับมันรู้สบายสบายไปนะสบายกว่าเมื่อกี้ดูออไหมเมื่อกี้เราไปเค้นมั น, นจิตมันแช่แช่ค่ะมันขี้เกียจ มันนิ่งๆตลอดมันมีโมหะน ะ, ะเป็นอย่างนี้ทั้งวันไหมก็เกือบทั้งวันแล้วไม่ดีซึมๆไม่ดีนะอ <นะ S 2> าหาอะไรมาทําให้จิตใจมันคึกคักบ้างถ้าเป็นพระนะพระยังไปเดินทุดงเปลี่ยนบรรยากาศอยู่แถวนี้จําได้แล้วงูมันอยู่ตรงนี้อะไรอย่างี้ไม่กลัวละไปเดินที่อื่นบ้างไปเจอตัวอื่นบ้างอะไ่ง ยกนี้ของเรามันไม่ค่อยมีผัสสะของธรรมชาติเท่าไหร่นะน้อยครูบาจารย์แต่ก่อนอยู่ในป่าเนี่ยมันฝึกสติถ้าเผลอนิดเดียวนะั้นเดี๋ยวโดนอะไรกัดเอาละของเราอยู่ในเมืองโดนสิ่งแวดล้อมในเมืองกัดนะ้ำมันไม่เจ็บนะ <c oughs> ว่าไงว่าไงไปถึงไหนละเดี๋ยวนะั้นหนุ่มนี่ใช้ได้นะผู้ชายเนี่ย แล้ว ร, รู้ไปเรื่อยเรื่ยรู้ไปธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปฝืนแกล้งทําเป็นคนดีนะไม่ต้องแกล้งเรียบร้อยไม่ต้องแกล้งหลยเราเป็นยังไงดูเป็นยังไงนี่คงไม่ค่อยเข้าคอร์สมั้งหรือไงเข้าไหมค อ, คอร์สที่ไม่บีบคั้นเอน่าดีแล้วบุญแล้วไม่ต้องมานั่งแก้ดูไปนะดูไปสบายสบายจริงๆต้องสบาย เราเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่เรียนฝึกบังคับตัวเองอย่างตอนนี้ใจหนีไปแล้วรู้สึกไหมเวลาใจเราไหลไปแล้วเราคอยรู้ทันใจมันหนีแวบแวบเป็นระยะระยะนีบิคิดนะ่ะเนียไปแล้วรู้สึกไหมหนีไปแล้วเนีย่ยไปอีกแล้วรู้สึกไหมเนีย่ยหลวงพ่อพาให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วเดี๋ยวลองไปนับดูว่าหนะ้านาทีนี้อี่ครั้งเป็นร้อยเลยไปอีกแล้วรู้สึกไหม ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะไม่ต้องทําอย่างอืงอ่นหรอกรู้เล่นๆไปไงแต่ยตอนนี้ทําผิดละไปกดใจให้นิ่งละรู้สึกไหมไปกดมันให้นิ่งๆปล่อยทิ้งไปอย่าไปกดทําตัวให้มันสบายๆอา้าวไปยุ่งกับลมหายใจละรู้สึกไหมจิตไหลไปอยู่ที่ลมะให้รู้ทันนะอา้าวขึ้นเองใจลอยไปอีกละรู้สึกไหมเนี่ยโดยหลวงพ่อหลอกนึกว่าหลวงพ่อเลิกแล้ ว, ลวสบายใจ ดูอย่างนี้นะรู้ลงไปรู้ทันตัวเองไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะอ้างคุณเองเชิญวันนี้จิตไม่ค่อยตั้งมั่นจะกระจายหน่อยๆเลยค่ะอืมตอบถูกแต่จิตใช้ได้นะเมือม่อเมื่อกลางสัปดาห์นะคะไปฟังเทปหลวงพ่อมีความรู้สึกซาบซึ้งกับคํานี้มากเลยะคะ่ะว่าจิตก็ไม่ได้ทุกเองกายก็ไม่ได้ทุกเองอะ่ะคือฟังมาหลายรอบก็ไม่เข้าใจตอนนี้ค่อยๆเริ่มเข้าใจขึ้นมานิดหน่อยจะดีนะก็เข้าใจเอาเองนะอ่ะต่อไปยิง อา้าน้องชมพูใจลอยไปแล้วจิตมันหลุกเหล็กค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีสิ่งหนึ่งบงการพฤติกรรมมีกดกฎไว้ค่ะอืมตอบถูกอยากให้หายไหมละ่ะอยากค่ะนั่นแหละไปดูตัวนั้นนะตัวนี้ทําให้เราเสียเวลาตันหาเกิดขึ้นแล้วทําให้เนิ่นช้าอยากให้หายเอาหนีไปคิดอีกแล้วหนุ่มเนี้ยดูออกก็ยังว่าหนีบ่อย ไปดูนะดูลองจับเวลาไว้ห้านาทีนะนะดูได้กี่ครั้งถ้าได้สักห้าสิบครั้งอะไรนี้กออ็ยังพอใช้ได้ลนะ่ะถ้าได้สักร้อยครั้งกำลังดีอ่ะพี่ชายช่วงที่ผ่านมามันเผลอถลําเข้าไปมองอะครับแล้วบางทีก็ถลําลงไปแช่แล้วก็บางช่วงก็เผลอไปแทรกแสงบ้างนะแต่ไม่มากอืแล้วก็รู้สึกความเป็นกลางมันก็น้อยลงอะครับ ก็เห็นได้ว่ามันเสื่อมได้ครับมันเป็นเพราะความอยากความอะไรเงี้ยมันก็กับมันเสื่อมตามธรรมชาติด้วยครับดีแหละมันของเสื่อมนะไม่ใช่ของถาวรตัวนี้ตัวสำคัญเลยตรงที่เรารู้ว่ามันไม่ถึงฐานส่วนใหญ่พอดูดูไปพวกที่ไม่เล่นสมาธิเลยนะใจไม่ค่อยเข้าฐานหลวงพ่อยังเคยทีหนึ่งตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ละ เราก็ดูจิตเรื่อยๆไปนะความจริงทําสมถะตั้งแต่เด็กนะแล้วลืมไปพอมาดูจิตแล้วสนุกดูลูกเดียวเลยทิ้งสมถะไปดูมาเป็นปีๆนะเอ๊ะมันไม่ผ่านไม่พัฒนาขึ้นเลยหาหลวงปู่เทศก็ไม่เจอแล้วแต่นั้นท่านไปอยู่ถ้ําขามก็ไปหาใจมหาบัวตอนนั้นคนยังไม่เยอะเหมือนยุคนี้นะไปถึงก็ไปขอโอกาสถามท่านบอกเนี่ยผมดูจิตอยู่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้ดูไปอย่างนี้แหละ ทำไมไม่ผ่านสักทีคล้ายๆพวกเราถามนะทำไมไม่ผ่านสักทีท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตอยู่ถึงจิตอยู่ไม่จริงหรอกมันดูอยู่นอกๆต้องเชื่อเรานะเราผ่านตรงนี้มาด้วยตัวเองให้บริกรรมเข้าไปบริกรรมจริงๆการบริกรรมมันคือการเพิ่มพลังของความตั้งมั่นนั่นเองให้พุโทโธพุโทโธพุโทโธเข้าไปแล้วก็รู้ทันเข้ามาที่จิตถ้าไม่มีเครื่องอาศัยเลยจิตจะลอยลอยไปจิตลอยๆอย เมือนอาศัยการเดิน น, นั่นเองอาศัยการเดินเป็นเครื่องช่วยแต่เดินไปเดินไปพอเหนื่อยๆบางทีจิตมันก็จ้าขึ้นมาเฉยๆนะนก็ไม่ถึงฐานเหมือนกันงั้นเราก็ต้องคอยสังเกตอ่ะมีรูปแบบไว้อันหนึงเป็นตัวช่วยเราแต่ต้องสังเกตอีกอ่ะไม่ใช่ไว้ใจรูปแบบนะไว้ใจไม่ได้สักอย่างเรียกว่าอย่าไว้ใจตัวเองหัวรินว่าไง รีนรู้สึกว่าความรู้สึกตัวของรินนะคะมันมีไม่เท่ากันนะคะมีบางครั้งมันก็แจ่มชัดแต่ว่าบางครั้งมันก็รู้สึกเตือตัวจริงแต่มันมันไม่เท่ากันอะค่ะออไม่เท่ากันดีแล้วค่ะบางทีมันก็มีโมหะเจือบางทีก็รู้ได้ชัดบางทีรู้ไม่ชัดนะดูไปกระทั่งตัวรู้นี้ก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้ค่ะแต่ว่าต้องดูเรื่อยๆนะแล้วก็มีตัวที่ชัดขึ้นมาบ้างไม่ใช่ไหนๆมันก็ไม่เที่ยงแล้วไม่ชัดมันตลอดกาลค่ะไม่ได้นะ ค่ะดีแล้วรินค่ะอย่างวันนี้ก็ชัดกว่าวันก่อนที่มาค่ะแต่ว่าไม่ถึงฐานไม่ถึงฐานอีกแล้วต้องสมถะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โลวงพ่ใช้คําว่าไงดีถึงจะสื่อยังกดอยู่รู้สึกไหมแข่ขคมไหมตอนนี้ใจไม่เป็นธรรมดารู้สึกไหมใจไม่ธรรมดาไม่รู้สึกค่ะไม่รู้สึกเหรอรู้สึกว่าธรรมดาแล้วอย่างตอนเนี้จริงจริงมันออกนอกนิดนิดค่ะมันยังไม่เข้าที่เต็มที่อ่ะ ที่ว่ารู้ตัวไม่เต็มที่อะเพราะว่าจริงๆมันเข้ามาไม่ถึงฐานมันอย่างขนาดเนี้ยรู้สึกว่าไม่เต็มที่ไหมหรือรู้สึกว่าเต็มที่ไม่ไม่เต็มที่อ่าเนี่ยมันที่ไม่ไปเต็มที่อ่ะใจไม่ตั้งมั่นพอค่ะใจไม่ตั้งมั่นพอพุโทโธไว้ก็ได้ค่ะนะคุณยาวหนีไปแล้วคุณยาวเอาน้องชมพูหนีไปแล้ว รู้สึกว่ากลับมาประคองเป็นระยะนะเจ้าค่ะจุ๋หลวงพอ่อแต่ว่าความมันกลางคือใจที่ดิ้นรนอยากมันน้อยลงอ่ะเจ้าค่ะสูงแล้วใช้ได้แล้วก็ยังมีซึมซึมอยู่บ้างอะ่ะเจ้าค่ะหลวงพอ่อรู้สึกไหมจิตใจวันนี้เราก็สว่างดีเจ้าค่ะแต่ว่า ม, วมันมันไม่มันเหมือนไม่แน่ใจว่าคําว่าไม่ถึงฐานที่หลวงพ่อบอกหรือเปล่าอะ่ะเจ้าค่ะคือบางทีมันเห็นไม่ชัดมากค่ะเจ้าค่ะเออมันเห็นไม่ชัดแต่วันนี้ใช้ได้ก่อน หัดมาหัดดูไปเรื่อยๆค่ะหลวงพอ่อรู้สึกว่ามันสบายกว่าตอนที่หัดแรกๆนะคะแต่ว่าก็ไม่อย่างเวลาหลวงพ่อให้บอกสภาวะอะไรก็จะอธิบายไม่ถูกรู้แต่ว่ามันมีอันนี้อยู่แต่ที่บอกว่าถึงฐานหรือว่าตั้งมัน่นหรืออะไรนี้ก็ไม่ไม่สามารถไม่เป็นไรรู้อย่างที่มันรู้ได้นะรู้อย่างเนี้ยรู้ไปเรื่อยๆตอนนี้เราบังคับตัวเองไ่นิดนึงก็ตื่นเต้นห อ, อกไหม นี่ก็รู้ว่าบังคับรู้อย่างที่เขาเป็นอส่งมาข้างหน้าหน่อยมาข้างหน้าเนี่ยหลงอยู่โบวอยู่นิดนึงกระเพิ่มกระเพิ่มนิดนิดนะครับหลวงพอ่อเวลาเจอหลวงพอ่อมันจิตนี้มันรู้สึกกลัวหลวงพอ่อครับแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเป็นปกติอืก็คือรู้รู้คือตั้งแต่มันมานั่งเนี้ยมันกระเพิ่มตลอดแต่ก็รู้อ่ะครับจิตมันกระเพิ่มไม่เคยหยุดหรอกครับไม่ว่าไปนั่งที่ไหน ครับกับ เ, เพิ่มเล็กๆนะจะเหลือไหวๆอยู่นิดหนึ่งจะไหวๆดูออกไหมครับจะไหววไปทั้งวันแต่และดูอยู่อย่างนี้ใช้ได้แล้วเราไม่ได้ถลําลงไปดูครับดูอยู่ห่างๆอ่างเงี้ยใช้ได้ก็ปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมครับหลวงพ่อดีแ <c oughs> ละรู้สึกไหมใจเราเหมือนมันตื่นมากขึ้นมากขึ้นครับแต่อย่าให้ตื่นแบบแข็งๆนะก็ดูอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยไม่รู้ว่าที่ทําไปมันถูกหรือผิดนะครับจิตใจตอนนี้มันซึมๆรู้สึกไหม ำนนเน ย, เนยอะไรนะครับเออมันซึมอยู่ถ้ามันซึมอยู่มันไม่เห็นอะไรก็จะนิ่งๆอยู่ครับให้เรารู้ทันต่ใจที่ซึมๆนะเราไม่ชอบก็ให้รู้ไปการมสรสการหลวงพ่อครับจะผมปฏิบัติไปจนหนักๆตรงกดข่มบังคับแล้วก็ระแวงสงสัยดีดี <laughs> <c oughs> ดีเนี่ยกิเลสเกิดบ่อยอย่างวันๆหนึ่ง กันเยอะมากนับไม่ถ้นโอ้ดีภาวนาเก่งมันต้องอย่างนี้เห็นได้กิเลสครับก็ผมนี่ห่างจากวัดไปนานแล้วก็ผมไปอ่านหนังสือนี้ได้ไปหลายเดือนแล้วครับเพิ่งไปอ่านทางสายเอกอ่านตรงนี้ก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วจังหวะหนึ่งที่ว่ามันมึงซึมอยู่แล้วมันมันโล่งเนี่ยผมผมอยากอยากทราบความหมายจากหลวงพ่อว่าตรงนี้ว่าไอ้จิตที่ไปอ่านแล้ว ไปเกิดความเข้าใจตรงนั้นแล้วมันทําให้เป็นปฏิกิริยาตรงนี้หรือเปล่าครับคือใจบางทีเราภาวนามานะเราไม่รู้เหตุรู้ผลไปอ่านหนังสือที่หลวงพ่อเขียนเป็นเรื่องสภาวะทั้งนั้นนะสภาวะอย่างนี้เราเคยรู้เคยเห็นมานะ้แต่ก่อนที่มันไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วใจสว่างขึ้นมาปัญญามันเกิดครับ <c oughs> แต่ว่าปัญญานี้เกิดได้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าไปอ่านนะเพราเราเคยทํามาแล้วแต่เรายังไม่เข้าใจมัน มันก็หลับสบายอ้าวไงเป็นเง้นได้ก็หมายถึงว่าไอ้เรื่องที่มึนตึงทะมึนตึงกึ่งเที่ยงอะไรเงี้ยพออ่านแล้วพอเราเกิดความเข้าใจแล้วก็ก็แผ่ไม่ตายก็หลับสบายคือเวลาที่จิตมันเกิดปัญญาขึ้นมานะจิตมใจมันเป็นกุศลด้วยนะโล่งสว่างขึ้นมาครับจิตใจก็สบายตัวนี้ได้บุญเยอะตรงนี้เหมาะการแผ่ส่วนบุญด้วยนะครับางคนไม่แผ่ไม่ได้นะมีคนทวง แล้วแล้วผมจะถามหลวงพ่อข้อนึงว่านี่นี่ที่ที่หลวงพ่อเขียนเนี่ยหมายถึงว่านี่ก็คือเราก็มาปฏิบัติได้จากการอ่านโดยการอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจเอาจิตไปจับจอก็คือการปฏิบัติทําได้เหมือนกันใช่ไหมคือเราตามรู้ของเรามานะแล้วมาอ่านเนี่ยมันเกิดเข้าใจเหตุเข้าใจผลคือปกติเนี่ยจิตของเราเวลาเราไปเห็นสภาวะบางครั้งมันไม่ปล่อยรู้สึกไหมมันยังไม่รู้ว่าคืออะไร มันยังค้นคว้าหาเหตุหาผลไม่เจอไม่รู้ว่ามันคืออะไรไม่รู้ว่ามันทําหน้าที่อะไรไม่รู้ว่ามันทําบทบาทแล้วมันจะส่งผลเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงเนี่ยพอสภาวะแต่ละอันเนี่ยเรามีความไม่รู้พวก น, นี้อยู่จิตบางคนเนี่ยจะไม่ยอมหรอกมันจะค้นคว้าอยู่ไม่ยอมเลิกถ้าพอเข้าใจพอ อ, ออ๋อขึ้นมานะเข้าใจขึ้นมาด้วยการสังเกตเอาเองเนี่ยปัญญามันเกิดนี่บางคนสังเกตเองยังไม่ออกมาอ่านที่หลวงพ่อเขียนไว้นะเข้าใจขึ้นมา เข้าใจเหตุเข้าใจผลในใจมันก็ยอมวางสาทุกครับดีภาวนาได้ดีกวนอีกแป๊บหนึงครับหลวงพ่อเพิ่นว่าผมปฏิบัติไปเมื่อกี้ฟังหลวงพ่อบอกว่าทุกให้รู้แล้วพอเห็นทุกข์เยอะๆแล้วมันจะ น, น่นแต่ผมปฏิบัติไปรู้สึกทุกข์มันน้อยลงอืมมันสบายขึ้นเ อ, อดูไฟสุกก็ให้รู้นะรู้ไปเรื่อยนะมันจะภาวนานจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆครับ จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจนกระทั่งไปถึงตัวผู้รู้ที่แท้ตัวหนึ่งตัวนี้มีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยสว่างแจ่มใสอยู่งั้นนะะตามรู้ตามดูไม่นิ่งนอนใจนะมันจะพลิกจากตัวสว่างผ่องใสแล้วพลิกเสียหายย่ำเยินทุกล้ว น, ลวนเลยคราวนี้อันนั้เอา ไ, อาไว้ขั้นเป็น้าตนาคาแล้วก็เห็นมันต้องเดินอรหัตมรักดีแล้วตอนนี้ภาวนาแล้วมีแต่ความสุข สุขมากขึ้นมากขึ้นนะแต่เสื่อมได้นะย่างของเสื่อมอยู่การนมัสการหลวงพ่อครับขออนุญาตถามหลวงพ่อว่าคือผมเนี่ยก็ฟังซีดีหลวงพ่อไปหลายรอบพอสมควรนะฮะทีนี้ว่าผมไปดูกายดูจิตที่หลวงพ่อสอนเนี่ยทีนี้ผมบางครั้งเนี่ยเราเผลอสติไปเนี่ยเราแวบกลับมาเนี่ยเรารู้ว่ามันคือสภาวะที่มีสติแต่บางครั้งเนี่ย มันเหมือนกับว่าเรามา ล, ลึกพุโทโธใช่ไหมฮะรู้ลมหายใจแล้วเราถึงได้ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะตอนนี้เราเผลอไปนะเรามารู้พุโทโธก่อนอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับว่าเราพอรู้พุทธโทเนี่ยแล้วความคิดมันเกิดอีกมันเกิดต่อไปเรื่อยๆแล้วเรามารู้อีกทีหนึ่งก็พุโทโธอีกแล้วแล้วเราก็เออตะกี้เผลอเหมือนกับว่าเราคิดไปเราภาคไปให้กับตัวเองอะครับมันมันห้ามไม่ได้มันต้องเผลอไปก่อนแล้วรู้ว่าเผลอถูกแล้ว ต้องเผลอไปก่อนนะแล้วก็ถึงจะรู้ว่าเผลอเป็นการตามรู้ไม่ใช่เผลอไปรู้ไปนะเผลอก็รู้ไม่เกิดพร้อมกันอย่างตอนเนี้หนีพิคิดแล้วทราบไหมครับต้องการถามหลวงพ่อว่าอะไรหลวงพ่ออยังฟังไม่เข้าใจคือคืออยากทราบว่าที่ปฏิบัติมาเนี่ยถูกแล้วหรือว่ายังผิดอยู่แล้วว่าต้องแก้ไขตรงไหนแล้วก็คือบางทีเหมือนกับว่าเราพุทโทเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเรามีสติอืมแต่เราก็คิดไปด้วย แล้วบางทีเราคิดไปเนี่ยเราก็เอ๊ะนี่เราเผลอคิดหรือเปล่าอืเราก็ภาคให้กับตัวเองว่าเนี่ยสงสัยเราจะคิดอคือเราพุทโธพุทธโทนะเสร็จแล้วมันพุทโธอัตโนมัติไปใจมันไม่อยู่กับพุทโธแล้วใจมันหนีใจมันแอบไปคิดเกิดมีสติรู้ว่าใจไปคิดอย่างนี้ก็ใช้ได้นี้พอไปคิดแล้วใจมันภาคมันภาคว่าอ้าวเผลอไปอีกแล้วอย่างนี้ก็รู้ว่ามันภาคเราห้ามมันไม่ได้นะแต่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าใจมันจะพูดอ่ะห้ามมันไม่ได้ นั้นสภาวะทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่บังคับไม่ได้อย่างเราพุโทโธอยู่แท้ๆใจก็หนีไปคิดได้เราห้ามมันไม่ได้พอหนีไปคิดแล้วเราก็เกิดรู้ทันขึ้นมาเราสั่งให้รู้ทันก็ไม่ได้พอรู้ทันเสร็จแล้วมันภาคก็ห้ามมันภาคก็ไม่ได้อีกมีแต่เรื่องทําไม่ได้ดูเรื่อยๆไปเห็นแต่ของที่บังคับไม่ได้แต่อย่างการที่เราเห็นว่าเมื่อกี้เผลอไปตอนนี้รู้สึกตัวสมมติถ้าถ้ารู้ด้วยการคิดนะเไม่ใช่รู้ด้วยการรู้สึกนะ ถ้ารู้ได้การคิดเอาว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเพราะเมื่อกี้เผลอตอนนี้รู้สึกเนี่โคล่านกันอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนายังคิดอยู่แต่อย่าอย่าคิดเยอะนะดูไปเรื่อยๆคิดเยอะเดี๋ยวยุ่งอย่างตอนเนี้ยใจมันไปคิดอุตรุษเลยรู้สึกไหมพยายามทำความเข้าใจอะ่ะรู้สึกไหม เ, เนี่ยรู้สึกไหมหนีไปแล้วหนีไปคิด ใจไหลไปหนีไปคิดให้รู้ทันมันนะครับแล้วก็บางทีแบบพอเราระลึกรู้พุโทโธอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะเหมือนกับมึนๆที่หนาา้าผากตึบๆตุบๆ บ, บ, บ, บางทีก็หายใจติดขาดแบบอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าออพอหายใจแล้วมันจะทุกข์เงี้ยมันทุกข์จริงๆเลยครับออคือหายใจเข้าแล้วอึดอัดมากเลยต้องหายใจออกก็อึดอัดอีกอือย่างเงี้ยครับอย่างนี้<ม>ก็อย่าไปจงใจหายใจหายใ จ, หายใจเล่นๆหายใจตามธรรมดาของเราอย่างเงี้ย บางทีเราภาวนาเรายังไม่ชำนาญเราเข้าไปแทรกแซงมันมันจะอึดอัดไปหมดเลยให้ตามรู้ไปเล่นๆดูเหมือนเห็นคนอื่นหายใจดูอย่างนี้ลองหายใจดูสิลองลองหายใจดูเนี่ยหายใจแบบนี้มันถึงอึดอัดรู้สึกไหมมันตั้งใจหายใจเนี่ยอย่างนี้มันอึดอัดนะหายใจเหมือนที่เคยหายใจธรรมดาแล้วรู้เอา ถ้าจงใจปฏิบัติเมื่อไหร่มันก็อึดอัดเมื่อนั้นแหละแล้วต้องแก้ยังไงไหมครับให้รู้ทันมันรู้ทั น, นรู้ทันว่าเราจงใจปฏิบัติอยู่จริงๆก็คือสภาวะอะไรเกิดขึ้นนะรู้ตามรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างที่เขาเป็นในตอนนี้ใจนี้ไปคิดแล้วทราบไหมเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมพยายามไปหามันใหญ่อย่าหานะอย่าจงใจปฏิบัติ ดูเล่นๆไปดูเท่าที่ดูได้เผลอไปแล้วคอยรู้สึกเหลอแล้วคอยรู้สึกเนี่ยหนีไปคิดอีกละทราบไหมเอาไปดูนะไปดู<อ>เรียน<อ>ทีเดียวมากๆเดี๋ยวเครียดครั้งที่แล้วมาที่หลวงพ่อแนะนำว่าให้ให้นั่งสมัครคือนั่งสมาธิให้มากขึ้นนิดนึงนครับก็คือพอหลังจากนั่งสมาธิแล้วเนี่ยคือคื อ, อยมบางครั้งว่าคือสดมนจะนั่งก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คือบางครั้งนั่งๆไปเนี่ยสมมติปิติมันเกิดมันก็มันก็รู้แล้วมันก็หลดไปเลยอะ่ะมันก็เลยเหมือนม่วมๆคื อ, ค, อคือไม่รู้ว่าจะจะดูจิตหรือว่าจะนั่งสมาธิอะครับไม่เป็นไรคือครเรานั่งไปนะทําสมถะอยู่ะปิติมันเกิดสติปัญญาของเราลงไปหลึกรู้ก็ขาดสะบั้นตรงนั้นเลยใช่หไหมจิตก็มีความสงบสุขอยู่เราก็รู้ว่าจิตมีความสงบสุขอยู่พอไปสติไปรู้จิตที่สงบสุขนะความสงบสุขก็ดับลงอีเป็นอุเบกขา เราก็รู้จิตที่เป็นอุเบกขาพี่รู้ไปแล้วถ้าจิตถลําลงไปจ้องเราก็รู้ทันว่าถลําลงไปถ้าสักว่ารู้อยู่ก็รู้ว่าจิตสักว่ารู้อยู่พอออกจากสมาธิจิตที่เคยเป็นอุเบกขาเคยสงบเริ่มแหว่งเราก็รู้ว่าแหว่งฝึกไปอย่างนี้คือเราไม่จําเป็นต้องต้องบอกว่าโอเคช่วงนี้เราจะาสมาธิคืออยู่กับอารมณ์เดียวไม่ได้ไม่ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้คือให้รู้รู้ไปเริ่มต้นมาจากสมถะซะหน่อยให้มันมีแรงของคุณนะคนอื่นไม่เกี่ยวนะ แต่ละคนจริตนิสัยไม่เหมือนกันรู้สึกไหมจิตมีกําลังมากกว่าคราวก่อนครับผมคือคืออย่างในบางครั้งเนี่ยเวลาเดินเดินเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีกายคือเดินเดินเดินเดินขึ้นมาแต่เราก็คือคือคือสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเราก็ทำเหมือนกับมีความคิดคือคือเราก็รู้แล้วก็ก็ผ่านไปเอคือไม่ไม่บม่ซาถูกปรูกแล้วในที่บอกคุณเยาคือเรื่องเนี้ยคือคนที่จะมารู้กายนะเห็นกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยจิตมันต้องตั้งมั่น ถ้จิตตั้งมั่นนี่จะเห็นเลไอ้ตัวที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นเลยไม่ต้องคิดแล้วแเราคือคช่วงปัจจุบันเนี่ยคือยังพวกอารมณ์หยาบหยาบหรือโกรธอะไรนะอะคือถ้าเราดูอารมณ์หยาบหยบเช่นโกรธหรืออะไรแบบมันจะมันจะค่อนข้างเห็นคือคือรู้สึกได้ได้ดีอะครับแต่ความคิดเนี่ยบางทีมันมันขึ้นขึ้นขึ้นบางทีมันก็หลุดหลุดหลุดเยอะมากครับคือคิดห้ามไม่ได้ความคิดไม่ใช่อารมณ์ปรมาสต์ความคิดเป็นเรื่องบัญญัติ จิตมีหน้าที่คิดครับ้นจิตมีหน้าที่คิดในห้ามไม่ได้แล้วก็ก็รู้ว่าหลุดไปแล้วก็กลับมาเพราะจิตคิดใช่ไหมเสร็แล้วจิตฟุ้งซ่านหนีไปรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านเครับจิตฟุ้งซ่านเป็นอารมณ์ปรมตครับเรื่องราวที่คิดเป็นบัญญัติครับแล้วจิตจะต้องคิดทั้งวันทั้งคืนก็จิตมีหน้าที่คิดครับงนั้นเขาก็คิดไปแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอะกุศลเราไครตามรู้เอา ไม่ไม่ห้ามคิดนะครับผมก็ยังมีมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งก็คือว่าคือคือเราเดินเดินไปแล้วมันมีเหตุการณ์แบบไม่ได้คาดคิดคือคือมีหมาตัวหนึ่งมันโผล่ข้นมาจะกัดนะฮะนี่บอกว่าว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเหมือนกับเราเราเข้าไปดูจิตเลยฮะคือก็ไม่รู้ว่าเราเพ่งกันไปหรือเปล่าคือเหมือนกับว่าแทนที่เราจะไปแบบระวังว่ามันจะกัดหรือหาไม้อะไรแต่ว่ามัเหมือนกับมันมาจาะที่ตรงตรงคือคือดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้รักการปฏิบัติมาก ไม่ยอมพิงโอกาสปฏิบัติเราก็รู้ทันว่าจิตมันวกเข้ามาห้ามมันไม่ได้ก็ไม่ถือเป็นอะไรแต่ก็อย่าไปให้มันกัดนะไม่ใช่อุเบกขาณ์นะอุเบกขาขาไม่ใช่ของเราที่ผ่านมาปฏิบัติก็ดีครับผมดีจิตใจมีเรี่ยวมีแรงดีวันแรกค่ะรู้สึกตื่นเต้นมากเค ภาวนาแบบพุทโธนะคะไม่ทราบว่าเดินทางถูกป่ะเข้าพุทโธไปนะพุทโธไปวันไหนใจเราฟุ้งซ่านเราก็พุทโธให้ใจอยู่กับพุทโธไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจก็สงบพอจิตใจเราสงบแล้วเราก็พุทโธเพื่อคอยรู้ทันใจตัวเองนะเช่นพุทโธพุทโธไปจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขพุทโธแล้วจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วก็ดูใจของเราไปอย่างนี้เราก็จะตอบไปได้ ต่อไปจิตใจเรามีความสุขเราก็จะรู้ทุกู้รู้นะดีรู้ชั่วรู้หมดเลยนะดีแล้วค่อยฝึกไปเรียนมาจากไหนพุทโธคือพอดีไปภาวนาที่วัดปากบัานตาดค่ะเออก็ดีแล้วพอดีพอดีหลานเข้อาสีดีของหลพ่อให้ฟังแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะภาวนาถูกทางหรือเปล่าถูกเลยวันนี้มาเชียงมาจากเชียงรายค่ะคือง่วงนอนสุดๆโอภาวนาถูกพุทโธไปเรื่อยๆนะอย่าทิ้งพุทโธ พุทโธตัวจริงก็คือจิตของเรานั่นเองเพราะพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือจิตของเรานี่เองจิตของเรามีสองแบบคือจิตที่เป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอันหนึ่งจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเป็นอีกอันหนึ่งสังเกตไห้สองอันนี้สลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดให้เรารู้ทันมันเป็นจิตผู้รู้เราก็รู้ว่าเป็นผู้รู้ แต่นะเดีย๋ยวแวบหนึ่งมันหนีไปคิดแล้วเราก็รู้ว่าตอนนี้ผู้รู้หายไปแล้วกลายเป็นจิตผู้คิดไปแล้เราก็จะเห็นเลยทั้งจิตผู้รู้ทั้งจิตผู้คิดร่วนแต่ไม่เที่ยงเหมือนกันอย่างตอนนี้เป็นจิตผู้คิดแล้วทราบไหมเนี่ยเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาหน่อยหนึ่งละรู้สึกไหมเนี่ยดูไปเนี่ยกลับไปเป็นจิตผู้คิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยพุทโธแล้ว เ, เอาให้ได้อย่างนี้นะอพุทโธแล้วรู้ทันจิตของเราเลยจิตเป็นผู้รู้ก็รู้จิตเป็นผู้คิดก็รู้ เนี่ยเป็นจิตผู้คิดอีกแล้วรู้สึกไหมบังคับไม่ได้ไม่ได้ฝึกบังคับนะอ่ะดีละบ้านตากคนเยอะอยนีนเต้นเต้นนะครับอืมดีชว่ชวงนี้นานๆจะรู้ตัวทีหนึ่งอะเหรออให้มันบ่อยๆหน่อยนะอย่าขี้เหนียวนั <c oughs> นก็พยายามครับใจหนีไปคิดแล้วคอยรู้ไป ใจหลแวบๆบแบบแบบเราคอยดูรับนวนโยมที่มาจากบ้านตา จ, จีนนี้ไปคิดอีกแล้ว ห, หลวงพ่อครับบางทีแบบมันก็เหมือนกับว่ามันมีสัญญาของเราเตือนว่าเฮ้ยเราลืมปฏิบัติแล้วทีนี้มันจะขยันก็แต่รู้สึกว่าเตียงเหมือนกับแบบมันไม่รู้จริงอ่ะฮะมันกับแบบมันกับแ บ, บคิดเอาว่าเราปฏิบัติคือเราเบื้องต้นเราต้องมีรูปแบบไว้อันหนึ่งก่อนนะอย่าทิ้งรูปแบบเสีทีเดียว เราต้องไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรเงี้ยหางานมาทำอันหนึ่งก่อนเพราะจิตใจของเราเนี่ยถ้าไม่มีงานมาทำเป็นเครื่องอยู่ของมันมันจะร่อนเร่ไปแต่จิตใจร่อนเร่แล้วมันพัฒนาไม่ได้เพราะนั้นหางานทำก่อนจะรู้ลมหายใจก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้แต่อย่าให้ซึมนะไม่ใช่พุโทโธพุโทโธหรือหายใจแล้วก็ซึม <c oughs> เคลิมนี้ไม่เอานะ <c oughs> พวกเราชาววัดป่าชอบนั่งแล้วก็ แล้วมีหน้ามาคุยว่าจิตสงบไม่ถูกจิตสลบต่างหากนะหลวพ่อครับบางทีเหมือนก็รู้สึกว่าจิตมันไม่เคยมันเหมือ น, ม, นมันซึ ม, ซ ม, ซมๆเทื่อๆฮะถ้าเกิดเราใช้วิธีไปเดินเล่นห้างให้จิตมันวิ่งเล่นได้ไหมฮะใช่ใช่ให้มันมีกระทบนึ้นกระทบนี้ให้เรารู้สึกเอาเออแล้วใครรู้สึกเอาแต่ถ้ากระทบจนดูไม่ทันนะก็หลบมาก่อนมาทําความสงบบ้างอย่าทิ้งรูปแบบนะอาศัยมันครับถ้าทิ้งไปแล้วไม่มีแรงจริงหรอก สมถะทิ้งไม่ได้ดอกนะนี่บางคนทําสมถะในรูปแบบไม่ได้ถึงต้องหลบไปเลี่ยงๆทาอะไรข้างเคียงเอาบางคนทํำอะไรไม่ไหวจริงๆนะไหว้พระสวดมนต์ไปเรื่อยๆก็ยังดียังได้ความสงบบ้างความสงบทิ้งไม่ได้ดอกอ่าไปถึงไหนอ้าคุณหลวงพ่อเจ้าคะ่ะหนูเห็นมันส่งออกไปอยู่นิ่งๆข้างนอกเจ้าคะ่ะตอนนี้มันไม่ส่งไปนิ่งข้างนอกแล้มันนิ่งไปถึงข้างในแล้ว ทำไมใจมันมันซึมไปละรู้สึกไหมที่มันเคยตื่นเบิกบานสบายทําไมมันซึมไปล่ะมันเหนื่อยเจ้าค่ะหลวงพ่อหลายวันมานี่มันมันเจอศึกหนักเจ้าค่ะเหรอแล้วมันมันดิ้นรนแล้วมันก็ลงไปเห็นมันหลายครั้งมันลงไปนิ่งอยู่เฉยเฉยเจ้าค่ะมันหนีหนีเข้าไปนอนนะ เวลาเราเจออะไรยุ่งยากบางทีจิตมันหลบเข้าข้างในแล้วไปซึมซึมอยู่เราทําในรูปแบบไหมสมมุติว่ามันจะซึมน ะ, ะพุทโธไว้ก็ได้หายใจไว้ก็ได้ดูท้องพังยุบไว้ก็ได้อย่าให้ซึมสวดมนต์ก็ได้ใ่สวดมนต์ก็ได้ะอะไรก็ได้เจ้าค่ะแล้ว<ต>ใจอย่าให้ใจมันซึมลงไปแต่ที่มันเคยกระจายเป็นนิ่งข้างนอกเนี่ยมันกลับเข้ามามันกลับเข้ามาแล้วมันกลับเข้ามา มันก็ดีนะแต่ว่ามันซืมมากไปมันไม่มีกำลังเจ้าค่ะหลวงพอจะขาดแค่นิดเดียวนะไม่ได้ขาดเยอะนะแรงเนี้ยแรงอ่อนไปนิดหน่อยไม่ต้องไปเพิ่มกำลังแรงกว่านี้มากนักนะเดี๋ยวแรงเกินไปก็แค่สวดมนต์ธรรมดามนะเจ้าค่ะใช่ออาคุณรั ต, ตนีนันก็เจ้าค่ะรู้สึกที่ผ่านมามันมีแต่ทุกข์เจ้าค่ะ ก็ดีนะภาวนาแล้วเห็นทุกก็ถูกนะเหมือนหนุ่มนี่บอกหลวงพ่อภาวนาแล้วเห็นสุขก็ถูกอีกอมันแล้วแต่มองคนละมุมนะก็ไม่ทราบว่าจิตตอนนี้เป็นยังไงบ้างสะคะกับดรีนหลวงพ่อจิตตอนนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไปบังคับให้นิ่งไปนิดนึงดวออกไหมไปกดให้นิ่งไปนิดนึงโอเคดีแล้วอะได้อีกสองสามคนาานักการหลวงพ่อครับก็ก็เผลอนาทีละหลายสิบผลนะครับดี โอ้ได้หลายสิบผลเลยเหรอครับดีๆแล้วอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยครับเอ<ด>ไปเรื่อยครับดีแล้วคุณเป็นสีจิตดีกว่าเมื่อเช้าดูออกไหมเออนะเข้าใกล้แล้วเสียดดีอ่อช่วงนี้มันเสื่อมไปนิดนะคะแล้วก็มันอยากให้ดีขึ้นเลยอ ะ, อ, ะอยากให้ดีมันก็เสื่อมหนักเลยนี่ชมพูนี่เคยเสื่อม แล้วอยากให้ดีนะดิ้นใหญ่เลยเสื่อมไปสองเดือนถ้าเสื่อมแล้วไม่ดิ้นนะเสื่อมแล้วเราก็รู้อยากให้หายเราก็รู้ใจเป็นกลางพอใจเป็นกลางแล้วดีเลย <c oughs> ต้องไงแล้ววันนี้ก็รู้สึกดีขึ้นมันอันทันว่าขึ้นนะคะทันว่าอยากอยากให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกเบาลงอ่ะคะ่ะอย่างบังคับตัวเองนะ <c oughs> วันนี้กายมันไม่ค่อยจะดีอะค่ะใจมันก็เลยเปรียร้ยวๆตามอะค่ะหลวงพอ่อกลับสูงแล้วแต่ว่าดีนะใช้ได้ดูรู้แล้วใช้ได้ไม่ทำไมมาหมูนี้ป้อมอะ อ, อ, อยู่บ้านก็ทำงานบ้านพยายามตามดูไปอะค่ะนะแต่บางทีก็รู้สึกเ อ, อ๊ะว่างๆจับอะไรไม่ค่อยได้แต่ก็ดูว่างไปเรื่อยอะค่ะ ทำอะไรไม่ถูกนะพูดโผไว้ก็ยังดีที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ใช้ได้นะดีจิตใจมันไม่รลดโผลดิ้นรนรู้สึกไหมก็ดูตามปกติอะคะ่ะลองมั่งก็ขึ้นตอนนี้บั ง, บงคับตัวเองดูออกไหมเกินจริงรแล้วก็มีซึมเป็นบางครั้งค่ะดีหลงวงพ่อค่ะฝึกเดินจงกรมไม่ไม่ทราบว่าเดินถูกรอเปล่าเดินให้ดูสิ <laughs> อยากรู้ก็มาเดินให้ดูเอามาเดินนี่ไหม ไม่เอาเอาเอา้าใจไม่ถึงเว <c oughs> เวลาที่ทำสมาธิอะนะคะเวลาเวลาทาสมาไอสมาะนะคะมันจะนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ฟุ้งคือบางคนเนี่ยเป็นพวกที่มีปัญญากล้าพวกที่มีปัญญากล้าเนี่ยเวลาจิตสงบนะไม่สงบนานเดี๋ยวก็จะฟุ้งมาทำงานอีก งั้นเราไม่จําเป็นว่ามันต้องสงบนานนักหนาหรอกมันสงบนิดนิ ด, น ด, นดหน่อยหน่อยก็ใช้ได้แต่ว่าพอมันฟุ้งนะให้เราตามดูไปเลยฟุ้งฟุ้งไปแล้วเรารําคาญเราก็รู้ทันเราอยากสงบเราก็รู้ทันฟุ้งแล้วเผลอไปเลยเราก็รู้ทันฟุ้งแล้วเป็นยังไงเราคอยรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าไปห้ามไม่ให้ฟุ้งนะห้ามไม่ได้หรอกใจเราเป็นของห้ามไม่ได้ตอนนี้เวลาฟุ้งเนี่ยพอเรารู้ว่าเราฟุ้งปุ๊บมันก็หยุดนะ มันก็อยุดช่วคราวแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งใหม่อยังมีเหตุอยู่ว<ะ>่าพคิกคว้าไปอีกฟุ้งไปอีกห้ามมันไม่ได้แล้วเวลาอย่างถ้าตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้สึกตัวได้บ่อยอนะฮะแต่เวลาช่วงกลางวันนี่ก็จะเหลือยาวอ่ะคกลางวันนะงีบสั้นๆนิดหนึ่งก็ได้เหลวงพ่อใจดีเห็นไหม <c oughs> มันง่วงมัวสัวไม่รู้เรื่องนะ แอบไป ง, งีบสักห้านาทีสิบนาทีเนี่ยตื่นขึ้นมาสดชื่นดูง่ายไปคือคือเราไม่รู้ตัวว่าเราเผลอนะฮะมารู้อีกทีก็เย็นแล้วอะไรนั่นนหะเราฟึ้นเวลาใจเราซึมลงไปนะมันฟุ้งดูไม่ออกนะถ้าทําสมาธิได้เราทําสมาธิให้ใจพักนี่บางคนทําสมาธิไม่ได้ไป ง, งีบสักนิดหนึ่งนะคล้ายๆเราตัดช่วงชีวิตเราให้ขาดตอนลงเไม่งั้นมันจะฟุ้งยาวถึงเย็นเลย ไปพักนิดหนึ่งถ้าทำสมาธิได้ก็พักในสมาธิทำไม่ได้นะั้นนอนมันสักนิดหนึ่งนี่กรรมฐานวัดหลวงพ่อการนอนก็เป็นกรรมฐานนะแต่ไม่ใช่นอนเอาัก ง, งีบหนึ่งหกชั่วโมงตื่นมาอีกทีอ้าวดึกแล้วนี่นอนต่อเลยนะเยอะไปหน่อยคือว่าเออบางทีกลัวมันจะหลงไปนะคะก็คอยจี้เอาไว้อะคะ่ะคอยจี้มันติดๆแล้วมันก็จะ หนักๆแล้วก็ปวดหัวค่ะโอ้ธรรมดานะจี้มันเพราพอปล่อยปล่อยตามสบายมันก็จะหลงไปเลยมันจะสุดโตรงสองข้างใช่ไหมพอปล่อยก็หนีไปเลยค่ะจี้ไว้ก็เครียดในสิ่งที่ผิดมีสองอันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฝึกใหม่นะฝึกอย่าไปจี้แรงท่องพุทโธไว้ก็ได้พุทโธพุทโธเล่นๆหรือสวดมนต์ก็ได้ละหั่งซัมมาอะไรเงี้ยไม่ต้องสวดยาวหรอกค่ะสวดสักบทสองบทก็พอ สวดไปแล้วก็ดูใจของเราไปใจเป็นสุขใจเป็นทุกข์เป็นกุศลอกุศลก็ดูไปนะไม่ได้บัคคับให้นิ่งนะค่ะนะแก้อย่างนี้ใช่ไหมะคะใช่เดี๋ยวไปคมมันนมัสการเจ้าค่ะคือเวลาเราตามดูตามดูจิตอย่างเนี้ยค่ะแล้วบางทีเราก็ไปคิดว่าเออสภาพที่เรารู้เนี่ยเราจะพัฒนายังไงให้เป็นให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ค่ะรู้ลงปัจจุบันไปเลย แล้วเราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเราสงสัยอยู่เนี่ยน่าสภาพรู้เนี่ยเราจะพัฒนายังไงให้มันเป็นวิปัสนาอะไให้รู้ว่ากําลังสงสัยอยู่เป็นวิปัสนาละอ๋อค่ะอคือเรารู้ทันจิตใจของเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นแล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามใจมันเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นี่แหละเรียกว่าวิปัสนาเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของบังคับไม่ได้อคือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองขอ็คุณเจ้าค่ะ ครับนวันส ก, การหลวงพ่อค่ะ อ, อปกติแล้วเคยทําสมาธิอะค่ะแต่ว่าเราช่วงหลังนี้พอตามดูตามรู้แล้วก็สมาธิก็ไม่ค่อยจะตั้งมั่นเหมือนเหมือนที่เคยทํานะคะแต่พอพอตามดูตามรู้เราสึกว่าเดี๋ยใจมันตื่นดีเบิกบานดีแล้วก็จ้องดูแต่ความเบิกบานที่มันเกิดขึ้นนะคะก็อย่าทิ้งสมาธิสัทีเดียวนะแบ่งเวลาวันหนึ่งก็แบ่งห้านาทีสิบนาทีก็ยังดีเจ้าค่ะไม่งั้นเดี๋ยวใจมันฟุ้งซ่านไป ได้กนสุดท้ายแล้วนะพีฉันเพิ่งมาครั้งแรกเจ้าค่ะพระอาจารย์รยแล้วไงก็มีก็ที่ฉันปฏิบัติมาก็ไม่ได้ทำจิตเจ้าค่ะทำสมาธิแล้วก็สร้างปัญญาเจ้าค่ะอืมก็ก็ก็ดีเจ้าค่ะที่ได้มาเปลี่ยนรู้สึกเข้าใจเจ้าค่ะดีเจ้าค่ะ คุยกับคุณย